มีโรคร้ายแรงอยู่สองโรคนะที่เรียนยากนะโรคฟุ้งซ่านโรคหนึ่งนะโรคหนึือนะโรคติดสมถะเพราะที่ติดเพ่งเนี่ยจะไม่เอาอย่างอื่นนะจะเอาแต่สงบอย่างเดียวฝังอกฝังใจมาตั้งแต่บรรพการว่าจะปฏิบัติธรรมนะต้องเข้าสมาธิลึกๆ ก, ก่อนเข้าก็ไม่เป็นนะเข้าไปขมๆไหมอึนัดอยู่ข้างในไม่ก็เคลิม้มขาดสติไปเลย ถ้าติดสมาธิแบบนั้นน่ะที่หลวงพ่อบอกให้เลิกไปก่อนเป็บางคนเข้าใจว่าหลวงพ่อไม่ให้ทำสมาธิแต่ก่อนสักิบว่าปีก่อนโอ้ติดสมาธิกันไม่ได้เรื่องเลยเลยต้องคอยแก้ไม่ให้ติดสมาธิบอกให้หยุดก่อนทําผิดแล้วอย่าข ย, ยันเขาทาสมาธิถูกแล้วคราวนี้ต้องทำาละนะสะสมพลังพวกหนึ่งพวกฟุง้งคิดมากสงสัยทุกเรื่อง การศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ได้ศึกษาด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดการอ่านและการฟังไม่ใช่ปัญญาของเรามันปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์สาวกของครูบาอาจารย์การคิดนั้นเราคิดเอาเองถูกบ้างผิดบ้างงั้นปัญญาของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าอะไรนะค่ากิเลสของเราไม่ได้มีค่ากิเลสของท่านปัญญาของใครก็ของคนนั้นนะ เราก็ต้องมาผลิตปัญญาของเรามาสู้กิเลสของเราเองส่วนการคิดเอาฟุ้งๆไปไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเวลาคิดเนี่ยจะเติมอคติเข้าไปเสมอทุกคราวที่คิดเนี่ยมันจะพลาดตั้งแต่เริ่มต้นคิดมันจะมีเราคิดขึ้นมามันจะรู้สึกมีเรานะเราเป็นคนคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอมันมีเราคิดนะมันมีความเข้าใจผิดอยู่แล้วเรียกว่ามีวิปลาส คิดทีไรนะก็วนเวียนอยู่ในสิ่งซึ่งมันไม่เข้าเรื่องคิดที่ไรก็จะหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนะไม่มีทางคิดทางสายกลางได้ทางสายกลางคิดเอาไม่ได้ต้องเห็นเอาต้องรู้เอานะให้คิดเอาไม่ดีคิดมากยากนานนะงั้นถ้าเราเป็นพวกคิดมากนะเราโยนความคิดของเราทิ้งไปก่อนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกได้แต่ความฟุง้งซ่าน ถ้าเราติดเพ่งเราก็หยุดเพ่งไปก่อนนะหันมาทำความรู้สึกตัวซนะใหม่ถ้าเราสามารถเปิดใจของเรารับรู้สิ่งใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยวิธีใหม่ๆได้เราก็จะได้ธรรมะใหม่ๆสดๆเข้ามาสู่ใจเราธรรมะไม่ใช่ของแห้งๆปลาแห้งปลาเค็มไม่ใช่นะทั้งสดทั้งใหม่นะงดงามมากงั้นถ้าเราทำตัวแบบชาล้นถ้วยมันก็รับของใหม่ไม่ได้ ชาล้นถ้วยส่วนมากนี่มีหลายแบบนะพวกหนึ่งก็ชาล้นถ้วยประเภทต้องเพ่งต้องทําสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาเนี่ยพูดอย่างนี้ตลอดอ้างแต่ประโยคเนี้ไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายแบบนะเพราะไม่เลยไม่เคยเรียนเรื่องจิตตะศิขาไม่เรียนเรื่องจิตหลวงปู่ ด, ดูนเนี่ยเจาะเข้ามาเรียนเรื่องจิตเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนได้เข้าใจที่ท่านสอนเนี่ยนะจะรู้จักสมาธิทุกๆแบบเลย เวลาต้องการพักผ่อนทําสมาธิแบบนี้เวลาจะเจริญปัญญาทําสมาธิแบบนี้ส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิทําสมาธิพักผ่อนนะถ้าทําถูกนะถ้าทําผิดก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นโมหะสมาธินั่งรู้ซึมถ้านั่งแล้วก็พ อ, อ, อกจากสมาธิแล้วก็ซึมแล้วก็แสดงว่าทําผิดแน่นอนเลยนะต้องไม่ซึมนั่งออกมาเนี่ยรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานสดชื่นออกมาเลยนะรู้ตัวกระปรีก้กระเพราออกมา ถ้านั่งแล้วออกจากสมาธิแล้วก็อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ถูกเลยนะโมหะแทรกออกมาแสดงว่านั่งผิดะ่ะเนี่ยไม่เรียนเวลาสอนเรื่องให้ดูจิตดูจิตตะกอ น, นอุ้ยต้านกันมากเลยไม่รู้ว่ามันสําคัญขนาดไหนจิตไม่ถูกภาวนาไงก็ไม่ถูกนะถ้าจิตถูกภาวนาจะยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้หมดนะจะหา้ใชจออกห้จะเข้าจะกินข้าวจะขับถ่ายภาวนาถูกทั้งวันเลยนะ นั่นอยู่ที่ว่าจิตมันถูกไหมถ้าจิตมันถูกก็ภาวนาถูกถ้าจิตมันไม่ถูกภาวนาไม่ถูกถึงต้องเรียนจําจี้จำไฉมากเรื่องจิตต้องรู้ลักษณะของจิตจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลจิตยังไงใช้ทําสมถาจิตไหนเดินปัญญาจิตไหนเอาไว้เล่นอาพิญญาอะไรนี้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละชนิดแต่ละชนิดสมาธิคนละอย่างกันสมาธิอย่างไหนทําล้วโมหะครอบอะไรนี้นะมีเยอะแยะไป งั้นในประโยคที่ว่าต้องทำสมาธิก่อนแล้วเกิดปัญญาเนี่ยพูดมักง่ายไปต้องบอกว่าทำสัมมาสมาธินะหรือทำลักขณูพระนิ ช, ชานให้ได้ถึงจะเกิดปัญญาได้คุณอะไรทำรายการทวายไล้์โชว์เมื่อก่อนได้พบเคยนิมนต์หลวงตามหาบัวมาออกโทรทัศน์แล้วก็ถามท่านหลวงตาครับถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาหันมาถามฮะ เกิดอะไรนะเกิดปัญญาไหมครับทําสมาธิมากๆไม่เกิดหรอกคนละเรื่องทําสมาธิอันนี้มันหมายถึงทําสมถะนะที่ประโยคที่ท่านว่าเนี่ยทําสมาธิก็ทําไปเพื่อความสงบวิธีทำมีหลักมีสตินะอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไปอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขจิตก็สงบอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบสิ่งที่ได้มาคือความสงบนะไม่ใช่ปัญญาคนละอันกันนะ แล้วท่านก็บอกว่าจะเจริญปัญญามันก็มีวิธีของการเจริญปัญญาวิธีของการเจริญปัญญาเนี่ยอันนี้หลวงพ่อ พ, พูดต่อแล้วนะไม่ใช่ของท่านละ ว, วิธีเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยคือจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดเลยใครๆก็ไม่รู้จัก พี่ลงพ่อพูดเรื่อยๆว่าสมาธิมันมีสองอันสมาธิอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบก็เข้าน้อมจิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์ที่มีความสุขก็จะเข้าฌานได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดฌานเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอันนี้ก็เข้าฌานได้แต่ไม่ได้ไปตั้งที่อารมณ์มันตั้งอยู่ที่จิตมันตั้งในคนละที่ จติตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะก็เข้าฌานหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดได้เหมือนกันบางท่านเข้าสมาบัติที่9หรือเข้านิโรธสมาบัติได้ด้วยนะเข้าตรงนี้ไม่ไปเข้าตรงฌาน8ปกติเพราะงั้นฤาษีชีพาเข้านิโรธสมาบัติไม่เป็นเข้าไม่ได้นะต้องพระดิยะบุคคลเพราะว่าอะไรจิตท่านถึงฐานจริงๆนะแล้วถ้าท่านชํานาญถึงอรูปฌานที่8จริงๆนะท่านถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้ มันอยู่ที่ฐานจริงๆแลสมาธิมีสองชนิดอยามาพูดมักง่ายว่าต้องทําสมาธิแล้วเกิดปัญญาสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทําไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทํานั้นเป็นไปเพื่อความสงบเฉยๆนะสมาธิที่เกิดปัญญานี่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงพ่อมาสอนนะคนต่อต้านนะยุคแรกๆเดี๋ยวนี้ต้านไม่อยู่เพราะอะไรพวกเราฟังพวกเราเรียนนะพวกเราตื่นขึ้นมา แยกธาตุแยกขันได้เนี่ยพอพูดแยกธาตุแยกขันกัน ค, คล่องแคล่วนะไม่ใช่เรื่องโมงเอาเลยคำถามแต่ละคำถามคาพูดแต่ละคำพูดเนี่ยนักปฏิบัติแท้ๆฟังแล้วสะใจย่งมีชาวนาคนหนึ่งส่งกันบ้านที่บ้านจิตสบายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ได้อยู่ไหมใครอยู่ที่นั่นบ้างชาวนานะเขาบอกว่าเขาภานาะเขาเห็นความไหวอยู่ภายในนะ อันนี้ยังไม่ประหลาดนะอันนี้พวกเราก็เห็นเขาบอกว่าเขาเปิดประตูบ้านออกมาเห็นต้นไม้ต้นไม้ไม่มีน้ำหนักจิตมีน้ำหนักคนเนี่ยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจริงๆไม่รู้หรอกนะหลวงพ่อเลยเล่าหลวอพ่อก็เคยเห็นอย่างเนี้ยตอนบวชพรรษาแรกนะเห็นภูเขาภูเขาตั้งสามลูกเนี่ยเฮ้ยภูเขาไม่มีน้ำหนักจิตเรามีน้ำหนักเนี่ยถ้านักปฏิบัติคุยกันนะโอ้ยหมันมากเลย ถ้าไม่ได้ปฏิบัติผู้พูดอะไรไม่เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติกลายเป็นเรื่องนั้นไปอีกนะงนเรื่องสำคัญเลยนะเรื่องแรกเลยต้องปรับสมาธิให้ถูกแช้ชายเศรษธารมสมาธิชนิดที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่สมาธิขาสติจนจิตรวมข้อปัญนานะผ่านฌานที่หนึ่งสองสามสี่เป็นอุเบกขาเป็นอเบกขาแล้วเนี่ยท่านไม่ทรงอยู่เฉยๆท่านน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะหรือเจริญตัญญา เพราะฉั้นไม่ใช่รู้ตัวแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆงานแรกของพวกเราคือรู้สึกตัวให้ได้าการรู้สึกตัวนี่มีสามระดับคือกําลังของสมาธิมีสามระดับระดับที่หนึ่งจิตหลงไปแล้วรู้ว่าหลงจะรู้สึกตัวขึ้นชั่วขณะจิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิแต่สมาธิชนิดชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตจะตั้งมั่นชั่วขณะเพราะรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเป็นขณะขณะไป อย่าดูถูกจิตที่ตั้งมั่นเป็นขณะขณะเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดหนึ่งขณะจิตไม่เกิดสองขณะจิตเพราะฉั้นอย่าดูถูกหนึ่งขณะจิตนะสำคัญที่สุดตรงนี้แหละไม่ใช่เข้าอัปนาดได้แล้วก็ตอนเกิดอริยมรรคเกิดได้ยาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ใช่เกิดช่วขณะเดียวงั้นหนึ่งขณะของปัจจุบันนี่แหละสาคัญที่สุดนะงั้นเราอย่าเสียอกเสียใจบางคนเข้าฌานไม่เป็นเลยนะแต่แค่จิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จิตใจก็กลับมาอยู่ที่ตัวเอง ถ้ใจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานพวกที่สมาธิสั้นจุดจู่แบบนี้นะพวกคณิกาสมาธินะี่ดูจิตเข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะจิตตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกนี้ทําชาญยังไม่ได้นะทำฌาญไม่ได้ดูจิตไปก่อนทําชาญได้ไปดูกายดูจิตไม่ได้ทําไมดูจิตไม่ได้จิตมันจะนิ่งอย่างเดียวมจะว่างอย่างเดียวนะนั้นให้ดูกาย แต่ถ้าดูเราสมาธิสั้นๆแบบพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้นะจิตเคลื่อนตลอดเวลาเนีเคลื่อนเราลูเคลื่องเรู้ให้ทีๆไปเลยนะเคลื่อนเราลูเคลื่อนเรู้ต่อไปมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราตื่นขึ้นมาเลยเหมือนรู้สึกตัวอยู่รู้สึกอยู่ได้นานวันนี้รู้สึกตัวอีกวันหลงไปอีกแล้วอีกวันนึงภาวนาไม่เป็นอีกวันนึงเริ่มรู้สึกหน่อยๆอีกวันรู้สึกเยอะๆอีกจะสลับไปสลับมาเนี้ยอาศัยกรรมฐานสมาธิที่เล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละ จเจริญปัญญาไม่อยู่เฉยไม่ใช่ทำจิตนิ่งนิ่งว่างว่างสงบแล้วก็อยู่อ้างน้าสอนกันซี่บอกให้เอาจิตเข้าไปอยู่ข้างในสงบอยู่นิรันดรแล้วเป็นพระอราหารันพระอราหันอะไรมีข้างนอกข้างในโกหกชัดๆเลยนะพระอราหันไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในยังเป็นทำคู่อยู่ข้างนอกข้างในไม่ใช่ของจริงนะมีแต่หนึ่งนะไปเมืองจีนไปวัดท่านไว้หลังเขาพาไปดูวัดท่านไวหลังนะที่ ประตูข้างหนึ่งเขียนเลยทำแท้ๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสองทำแท้ๆเป็นหนึ่งเนี่ยงัย้นถ้าจิตยังมีสองอยู่เนี่ยของปลอมนะของปลอมไม่ใช่ของจริงงั้นไม่ใช่เป็นน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆนะแต่พอจิตรู้เนื้อรู้ตัวแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทํางานดูใจทํางานด้วยเฉ่ว่าอย่างนี้การดูจิตใจเหมาะกับพวกที่ได้แค่คณิกะสมาธิ ดูดูจิตใจมันทํางานไปเพราะว่าอะไรจิตมันกลับกรอกรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปจนเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวสุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะดีก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ Lyn ลลไไไดชั่วไม่ให้มันเกิดมันก็จะเกิดเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปไม่เป็นไปในอํานาจการดูจิตดูใจจะทําให้เราเห็นไตรลักษณ์เด่นอยู่สองข้อ คือข้ออนิจจังกับข้ออนัตตานะถ้าดูจิตเนี่ยถ้าดูกายเนี่ยก็จะเด่นอยู่ที่ทุกขังอนัตตาถ้าดูกายจะดูอนิจจังยากดูหน้าที่ไรก็เหมือนเดิมทุกทีนะยกเว้นไปดูรูปถ่ายก็ดูเอ้ปีกลายกับปีนี้แก่ไม่เท่ากันหรอกแต่ดูรายวันดูไม่ออกหรอกนะงั้นเวลาดูดูกายนะพยายามดูในมุมของทุกในมุมอนัตตานัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นก้อนธาตุ เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเห็นไหมเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายอะไรเนี้ยนะมีธาตุหมุนอยู่อย่างนี้เองวันใดที่ธาตุไม่หมุนก็ร่างกายนี้ก็แตกสลายนะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุธาตุไม่ใช่คนธาตุไม่ใช่สัตว์ธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยดูไปเรื่อยจะเห็นอนัตตาในแง่ของความเป็นธาตุไม่ใช่คนสัตว์เราเขา นะปฏิเสธความเป็นตัวตนได้ถ้าดูจิตดูใจนะไม่ต้องทําสมาธิลึกแค่สมาธิแค่ว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละสมาธิที่เรียกคณิกะสมาธิแหละจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติ่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุข ก, ก็รู้สุขหายไปก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้ทุกข์หายไปก็รู้นะเกิดดีก็รู้นะ ดีหายไปก็รู้โลภโกรดลงเกิดก็รู้โลภโกรธลงหายไปก็รู้นี่หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปสุดท้ายปัญญามันค่อยแก่กล้ามันจะเริ่มเห็นไปเรื่อยเอทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปวันที่จะเป็นพระโสดาบันนะขณะที่จะเป็นพระโสดาบันปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเป็นความรู้รวบยอดความรู้รวบยอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรมรมดาทุกอย่างที่เกิดทุกอย่างดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหมดเลยนั้นจะเห็น สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่อันเดียวเทรานั้นคือพระนิพพานเป็นอามาตะธาตุอามาตะธรรมอยู่อันเดียวนะในขณะที่บรรลุอริยมรรยผลนะจะเห็นพระนิพพานครั้งแรกในชีวิตนะตอนเป็นพระโสดาบันปุถุชนไม่เห็นพระนิพพานเลยนะปุถุชนเวลาคิดว่าจะไปดูพระนิพพานเนี่ยไปดูนิมิตจะไปหลงดูตัวนิมิตนะไม่ใช่ของจริงหรอกอย่างบางคนไปเฝ้าพระเทเจ้าในพระนิพพานอะไรอย่างเนี้นะ นั่นเป็นนิมิตนะปุถุชนจะไม่เห็นพระนิพพานยกเว้นปุถุชนชนิดหนึ่งนะคือพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มรอบแล้วคือท่านเห็นแล้วท่านยังไม่เอาแต่ถ้าโพธิสัตว์ก็แก๊แก๊แกๆไม่เห็นหรอกดีแต่โม้เนีงั้นเราจะไปเห็นครั้งแรกตอนเป็นพระโสดาบันนะเห็นตอนเป็นโสดาบันยังส่งไว้ไม่ได้นะมันยังไม่ชํานาญนะส่งไว้ไม่ได้จริง ยากมากเลยที่จะกลับทวนเข้ามาพบ อ, อีกวิธีจะทวนเข้ามาพบนะก็ต้องมาดูรูปนามทำวิปัสสนากรดูรูปรูปนามเพิ่กรูปเพิ่งนามไปนะปล่อยรูปปล่อยนามได้แล้วก็เจอพระนิพพานเว้ยกระบวนการยาวก่อจะมาทวนเห็นพระนิพพานอีกแต่ละคราวนะก็สักการคาก็เร็วขึ้นหน่อยเพราะวางรูปนามได้เร็วขึ้นนะพระนากขาก็เร็วขึ้นหน่อยเพราะทิ้งรูปไปแล้วเหลือแต่นามนะ พอวางนามได้ภาวนาจเจริญวิปัสนาวางนามได้ก็เห็นพระนิพพานพระอราหันต์นั้นทิ้งรูปนามอยู่แล้วแค่มานาสิการแค่นึกถึงก็นิพพานปรากฏต่อหน้าเลยนะอย่าอยู่กับความสุขไม่ต้องยุ่งกับใครสบายนะแต่ไม่ใช่พบพบหนึ่งนะต้อนงะต้องค่อยๆศึกษาไปมั่วซั่วมากเหลือเกินนะในคำสอนที่ปนเผื่อนอยู่ในพระพุทธศาสนาทุกวันนี้นะ เอานี้มง้งหนิมิตเลยมาเป็นนิพพานกันแล้วเราต้องปฏิบัตินะรู้ตัวขึ้นมาดูจิตใจเขาทางานไปเรื่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้สุขหายไปให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้ทุกข์หายไปก็รู้เกิดกุศลก็รู้กุศลหายไปก็รู้เกิดโลภโกรลงก็รู้โลภโกรลงหายไปก็รู้จะเห็นมันผ่านมาเรื่อยๆ เวลาที่เราเจริญปัญญาอยู่รายวันเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเกิดแล้วดับนะเห็นทีละสิ่งนะความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับเนี่เห็นทีละสิ่งแตตอนที่ได้มากได้ผลเนี่ยเกิดปัญญารวบยอดว่าทุกสิ่งนั่นแหละเกิดแล้วดับเนี่ยทีเดียวทุกสิ่งเลยนะพอเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเกิดแล้วดับเนี่ยนะความรู้เนี่ยจะแผ่ขยายตัวไปคลุมโลกคลุมจักรวาลนะ ทุกสิ่งไม่เฉพาะที่เกิดขึ้นในจิตเราเท่านั้นเองทุกสิ่งในโลกนี้ทุกสิ่งในจักรวาล น, นี้ตกอยู่ใต้กฎอันเดียวกันนะใจมันจะแจ้งขึ้นมาอันเดียวกันนะสืบเนื่องถึงกันหมดเลยเมื่อเข้าใจที่จิตอันเดียวนี้จะเข้าใจจักรวาลทั้งหมดเลยนะไม่คิดเอานะต้องภาวนาเอางานแรกคือรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้เรรู้สึกตัวได้แล้วนะจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรคอยรู้ แต่อย่าดักรู้ให้ตาหูจมูกเลี้ยงใจจะกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วก็ให้มันเกิดความรู้สึกไปเกิดความรู้สึกแล้วค่อยรู้เอานะไม่ใช่ไปทําจิตให้นิ่งให้ว่างนะทำจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ใช่ทางเดินของปัญญาต้อให้จิตมันเดินปัญญาในพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่ อ, อยานทัศนะ์ญาณทัศนะคือตัวปัญญาไปเห็นนะไปเห็นจนมีปัญญาขึ้นมาปัญญาจากการเห็นนะ เป็นญาณทัศนะขึ้นมาไม่ใช่เป็นญาณจากการคิดเอานะเราะฉะนั้นต้องอย่าไปคิดเอานะ um คิดเอาอย่างเดียวไม่ได้กินไปทำจิตนิ่งๆว่างๆอย่างเดียวไม่ได้กิ น, นไปเพ่งเอาไว้ว่างๆไม่ได้กินหรอกไปทาจิตให้ว่างๆนิ่งๆสงบไม่ได้กินคิดเอาลูกเดียวไม่ได้กินเระฉนั้นขั้นแรกรู้สึกตัวรอรู้สึกตัวได้ก็ อยู่ชีวิตธรรมดาอย่างนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดค่อยรู้ไปแรกๆก็รู้ที่ความรู้สึกนะต่อไปแหลมคมขึ้นสติปัญญาแหลมคมขึ้นเนี่ยเห็นลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นว่าเมื่อมีความรู้สึกแต่และความรู้สึกแล้วเนี่ยจิตจะเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นอีกชั้นหนึ่งเกิดยินดียินร้ายเกิดสุขก็แอบยินดีเกิดทุกข์ก็แอบยินร้ายเกิดกุศล ก็ยินดีเกิดอกุศลยินร้ายนี่สำหรับคนดีนะคนชั่วเนี่ยบางคนหลวงพ่อเคยเห็นนะเกิดอกุศลแล้วยินดีนะเกิดอกุศลแล้วยินดีมีนะไม่ใช่ไม่มีใครเคยเป็นไหมลองยกมือซิมีไหมเวลาเกิดอกุศลแล้วยินดีโวยโกรธได้สะใจมากเลยวันนี้ตาแหลกจริงๆทุกจะตายไม่เห็นรู้สึกสะใจโง่หรือบางพวกบ้ากามใช่ไม หลอกสาวได้กย็ยิ้มยิ้มย่องโง่ไม่โง่มันไม่รู้ว่ามันยืดวัฏ ต, ตะมันออกไปวัตฏะมีแต่ทุกข์นักปราดทั้งหลายเห็นวัฏ ต, ตะมันทุกข์ยืดวัฏ ต, ตะได้แล้วภูมิใจไม่เรียกว่าโง่ไม่รู้จะเรียกอะไรละวัฏ <c oughs> ต, ตะต้องสั้นลงสั้นลงสิสั้นลงด้วยศีสล ส, สั้นลงด้วยสมาธิด้วยปัญญานี้แหละ มีศีลพ่อมีศีลสิกขามีสมาธิพ่อมีจิตสิกขามีปัญญาพ่ะมีปัญญาสิกขานะฝึกเอานะฝึกไปภาคเพียนข้าขัา้นแรกรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงะระฆังดูสิใจรู้สึกไงมหมายังรู้สึกเลยพอหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกไม่ใจมันเปลี่ยนไหมขำใช่ไหมขำมขมเนี่ยเห็นไหมความขำค่อยลดระดับแล้ว แล้วอย่าไปจ้องรอดูใช้ชีวิตธรรมดาคแค่รู้สึกตัวไว้พอมีอารมณ์มากระทบใหม่หูได้ยินเสียงใหม่ตาเห็นรูปใหม่หรือใจคิดเรื่องใหม่นะความรู้สึกก็จะเปลี่ยนค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะการดูจิตมีกฎสามข้อก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปจ้องรอดูถ้าไปดักดูไปจ้องดูจะไม่เห็นอะไรเลยจะว่างๆมันจะไม่มีอะไรให้ดูเลย อันที่สองระหว่างดูนะดูแบบคนวงนอกอย่าถล่มเข้าไปดูอย่าอินเข้าไปอย่ากระโจนเข้าไปคลุกวงในเข้าไปคลุกวงในจะไม่เห็นไตรลักษณ์อันที่สมเมื่อดูแล้วเห็นสภาวะแล้วรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางดังนั้นจิตยินดีให้รู้ทันจิตดีให้รู้ทันนะี่กฎข้อที่หนึ่งนะอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอา ข้อที่สองระหว่างที่รู้เนี่ยอย่ากระโจนเข้าไปรู้แบบโกลวงนอกไม่ต้องอินเข้าไปนะข้อที่สามรู้แล้วยินดียินร้ายให้รู้ทั น, นรู้อย่างเป็นกลางเนี่ทำสามข้อนะกฎของการดูจิตให้เกิดปัญญาไม่ใช่ดูจิตให้เกิดสมาธินะถ้าดูจิตให้เกิดสมาธิเป็นอีกแบบหนึ่งก็ใช้หลักเดิมที่หลวงพ่อสอนนะน้อมจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าเราจะดูจิตให้เกิดสมาธินะแรกเลยดูไปที่ความว่าง อยู่ในความว่างทําใจสบายอยู่ความว่างว่างมีสองว่างว่างข้างนอกกับว่างข้างในว่างข้างนอกก็สมถะว่างข้างในก็สมถะในว่างนั้นยังมีตัวรู้อยู่ดูเข้ามาเห็นตัวรู้ตัวรู้จะซ้อนตัวรู้แต่ตัวนี้เสี่ยงมากเลยถ้าไปติดตัวรู้นะแก้กันเป็นปีเลยเป็นสมถะที่แก้ยากที่สุดที่เคยพบเคยเห็นเลยถัดจากนั้นก็เพิกทิ้งทั้ง ความว่างที่ถูกรู้ความว่างเป็นอารมณ์นะจิตที่เป็นคนไปรู้ความว่างทิ้งทั้งสองตัวนี่จิตก็เข้าไปสู่ความไม่มีอะไระเป็นฌานที่เจนั่นน่ะเนี่ยถ้าเราจะพักด้วยการดูจิตดูใจนะเข้าอารูปฌานไปนถ้าทำไม่ได้ก็แค่จับไว้ที่ว่างก็แค่นั้นก็พอมีความสุขแล้วล่วะถ้าถึงฌานที่7็เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ประนีตมากเพราะไม่มีอะไรเลย เอาความไม่มีอะไรมาเป็นอารมณ์คือมันละเอียดขนาดไหนไม่มีอะไรนะไ ม, ไม่ไม่ได้เอาอารมณ์มาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาจิตมาเป็นอารมณ์ปล่อยหมดทั้งสองฝั่งเลยทั้งจิตทั้งอารมณ์จับเอาความไม่มีอะไรมันะละเอียดมากพอละเอียดมากเนี่ยจิตมันจะคล้ายๆมันจะค่อยๆหมดแรงไปนะความรับรู้ในโลกข้างนอกนี่มันตัดหมดนะตอนมันตัดตั้งแต่เข้าอารูปแล้วล่ะมันะนะตัดหมดนะมันจะตัดไม่มีอะไรเหลือเลยกระทั่งจิตนะ มันจะเหลือจิตอยู่นิดเดียวเหลือความรู้สึกอยู่นิดเดียวแต่ไม่ขาดความรู้สึกนะถ้าขาดความรู้สึกเมื่อไหร่เป็นพรหมลูกฟักเมื่อนั้นเลยนะเป็นพรหมลูกฟักแต่พรหมลูกฟักไม่ต้องเข้าทางารูปเข้าทางรูปนี่แหละวิธีที่คนยุคนี้เข้าพรหมลูกฟักนะคือไปปฏิบัติกรรมฐานให้มันทรมานมากๆทรมานสุดขีดเช่นเดินจงกรมหามลูกหามคำ่ำครั้งละ6ชั่วโมงวันละสามครั้งนะแล้วก็นั่งนิดหน่อย กินนิดหน่อยไม่นอนอะไรอย่างนี้นะให้มันเครียดสุดๆเลยกดดันสุดขีดเลยเนี่ยบางคนที่ทํากรรมฐานอย่างนั้นนะจนทั้งจิตใจนี่มันทนความทรมานไม่ไหวนะจิตมันดับลงไปเราบอกว่าเนี่ยเข้านิพพานไม่ใช่นิพพานหรอกะเป็นพรหมลูกฟักเข้าใจผิดร้ายแรงเลยเวลาบรรลุมรรคผลมีจิตไม่ใช่ว่าจิตดับนะเวลาบรรลุมรรคผลแล้วมีจิตมรรคจิตยี่สิบชนิดนะผละจิตมีอีกยี่สิบชนิดนะ มีจิตตั้ง20่0ิบยี่สิบชนิดนะเวลาบรรลุมรรคผลมันไม่ใช่จิตดับหมดแล้วบอกบรรลุมรรคผลเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยนะคําสอนพวกนี้มันปนเข้ามาในศาสนาพุทธเต็มไปหมดเลยสรุปนะถือศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาตรงที่ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยต้องทําในรูปแบบนะ จิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ฝึกถ้าไม่ทําจิตจะไม่มีแรงออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแป๊บเดียวจิตจะฟุ้งซ่านไปจิตจะไหลตามอารมณ์ไปรักษาศี่ห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวในการรู้ทันเวลามันไหลทากรรมฐานนันหนึ่งแล้วรู้ทันถือศี่หฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญสติปัญญาอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่แล้วให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดา ก็ท้อารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วให้รู้รู้แล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตจิตรายให้รู้ทันจค่อยฝึกเป็นลําดับลําดับไปในสุดจิตจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางเพราะจิตที่เป็นกลางเนี่ยจะมีคุณภาพในการเดินปัญญาอย่างแท้จริงนะจะเห็นอะไรก็แค่ว่ารู้แค่ว่าเห็นคําว่าศักย์ว่ารู้ศักย์ว่าเห็นพูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองในวงนักปฏิบัติแต่มันทำไม่ได้จริงหรอกนะ มันมองไม่เห็นสภาวะที่จิตมันแอบยินดีินร้ายอยู่แค่จงใจจะรู้มันก็ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วล่ะนะฉั้นต้องฝึกมาเป็นลำดับห้ามข้ามขั้นตอนขึ้นต้นไม้ให้ขึ้นจากโคนอย่าไปขึ้นที่ยอดมันนะขึ้นจากโคนมันค่อยขึ้นไปขึ้นไปปตามลำดับลาดับทำใจร้อนนล้วจะโผผินบินเหมือนนกโดดขึ้นยอดไม้ก็ตกลงมาตายเปล่าๆนะให้กินข้าวไป กินข้าวนั้นแหละคือเวลาจเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนะเพ่งจะกินอะไรก็เพ่งเพ่งไม่ได้เรื่องเลยของอร่อยๆก็ไม่รู้เรื่องนะเสียของนี่หมดเลยครับ